เรื่องพระอนุญาตไรจีวรสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราเดินทางไกลระหว่างกรุงราชครึกกับกรุงเวสาลีต่อกันได้เห็นภิกษุในธรรมวิเนัยนี้จำนวนมาก ห่อผ้าพระุงพระรังบ้างก็ทูลห่อผ้าที่พับดังฟูกไว้บนศีรษะบ้างก็แบกขึ้นบ่าบ้างก็กระเดียดไว้ที่สาเอวเดินมาครั้นเห็นแล้วเราได้มีความคิดดังนี้ว่าโมคะบุรุษเหล่านี้หมกมุ่นเพื่อความมักมากในจีวรเหลือเกินอย่ากระนั้นเลย เราควรกำหนดเขตแดนเราควรกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลายต่อมาในยามค่ำคืนที่หนาวเหน็บในฤดูหนาวอยู่ในช่วงเดือนสามเดือนสี่เราครองจีวรผืนเดียวนั่งอยู่กลางแจ้งตลอดราตรีขณะที่น้ำค้างตกแต่ยังไม่รู้สึกหนาว เมื่อปฐมมยามผ่านไปรู้สึกหนาวหมจีวรผืนที่สองจึงไม่หนาวเมื่อมัชชิมยามผ่านไปรู้สึกหนาวหมจีวรผืนที่สามจึงไม่หนาวเมื่อปัจชิมยามผ่านไปยามรุ่งอรุณแห่งราตรีอันเป็นเบื้องต้นแห่งความสดชื่นรู้สึกหนาว ผมจีวรผืนที่สี่จึงไม่หนาวภิกษุทั้งหลายเราเองได้มีความคิดดังนี้ว่ากุลบุตรในธรรมวินัยนี้ที่เป็นคนมีปกติหนาวกลัวความหนาวอาจครองชีพอยู่ได้ด้วยผ้าสามผืนอยากกระนั้นเลยเราควรกำหนดเขตแดน เราควรกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องผ้าแก่ภิกษุทั้งหลายเราควรอนุญาตผ้าสามผืนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตไรจีวอนคือสังคาติสองชั้นอุตราสงชั้นเดียวอันตรวาสกชั้นเดียว